อันสรว่าทุกขสัตริย์กับสมุทยศัตว์ยากที่เขาจะเข้าใจเขาทุกไหมเขาทุกแต่เขาไม่รู้จักทุกอย่านะเขารู้ไหมว่าตันหาเขารู้จักแต่เขาไม่รู้ว่าตันหาเป็นเหตุให้เกิดทุกเนี่ยนะเขารู้อาจจะอาจจะทุกสั้นๆนะนะอาจจะรู้ทุกสั้นๆแต่ไม่รู้ความเป็นจริงของตันหาที่เป็นมูลของวัตถุทุกว่าตันหาเนี่ยเป็นมูลแห่งวัตถุทุกอย่างไรเช่นตันหาที่ชอบในสีเนี่ย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 เวลาเกิดพบใหม่ก็แล้วกันเานะั้นเวลาที่จะให้ว่าเวลาสุขติของท่านไม่มีแล้วถ้าใครพูดไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาธรรมะเลยก็เช่าก็บอกว่าเวลาแห่งสุขติของเขาไม่ค่อยมี นะก็น่าสงสารนะเวลาแห่งการบรรลุมรรคผลเขาไม่มีเลยเขาไม่แบ่งให้เลยไม่แบ่งเวลาให้เกิดในสุขคติพบเลยไม่แบ่งเวลาให้นะให้สมบัติในโลกหน้าเป็นต้นต่อไปเลยเขาไม่แบ่งเวลาให้สวรรค์ให้นิพพานเลยแล้วก็แบ่งเวลาให้อะไรนะนะก็ขอเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะเนะขามาใครได้ยินคําประเภทนี้บอกขออย่าเป็นเราเลยขอบคุณจริงๆทําบุญอะไรมานาะเราจึงไม่คิดแบบเขาเนี่ยนะนะดีใจมากเลยนะ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 อีกในหนึ่งกิเลสทั้งปวงเป็นอันสลัดทิ้งไปได้ตันหาทั้งปวงก็สูญสิ้นไปกิเลสราคะทั้งปวงก็คลายไปทุกทั้งมวลก็ดับไปเพราะอาศัยตันเพราะอาศัยพระนิพพานหมายของว่าถ้าตรัสรู้นิพพานในกงกิเลสทั้งหมดก็ถูกสลัดทิ้งไปแปล ว, ว่าความเศร้าหมองทุกชนิดถูกละไปตันหาทั้งปวงหมดไปกิเลสราคะก็สูญสลายไปสงบระงับดับทุกทั้งปวงไปได้ เพราะอนุภาพแห่งพระนิพพานพระนิพพานจึงชื่อว่าสัพพูปัติ ป, ปินิสกโคทำเป็นที่สลัดออกจากกิเลสทําเป็นที่สลัดออกจากตัณหาทำเป็นที่สลัดออกจากราคะทําเป็นที่สลัดออกจากทุกขเนี่ยนะมันพระนิพพานนั้นจึงชื่อว่าตันหักโยธรรมะเป็นที่สิน้นตันหาวิราโคคลายกําหนัดจากตันหานิโรธก็คือดับวัตทุกข์ตัณหานั้นเนี่ย ปกติคำว่าตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์มันทุกข์ยังไงเป็นทุกข์เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันร้อยรัดกรรมเอาไว้ให้มีผลเช่นมันร้อยบาปให้มีผลเนี่ยนะร้อยกายกรรมให้ได้รับผลร้อยวจีกรรมให้มีผลร้อยมโนกรรมให้มีผลร้อยร้อยอะไร ร, ร้อยสังขารเป็นปัจจัยให้มีวิญญาณร้อยอพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติมันร้อยเอาไว้ถ้ามันต่อ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 ร้อยกรรมให้มีผลร้อยชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งร้อยพหนึ่งสู่ภพหนึ่งร้อยรับไปอย่างนี้พระนิพพานเป็นธรรมที่สลัดออกจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเหล่านั้นเพระนิพพานนั้นเป็นธรรมที่สลัดออกจากเครื่องร้อยรัดสรุปว่าแสดงสมุทยสัตว์ให้เขาเข้าใจก็ยากแสดงนิโรธสัจจะให้เขาเห็นก็ยากเพราะกิเลสของเขามันกลุ่มรุมเล่นงานมากเนี่ยนะ กิเลส ข, ของเขามีกําลังมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสอนทำนะโสมมัสสะกิลามะโถการแสดงธรรมของเราแก่ผู้ไม่รู้ไม่เห็นเป็นความลําบากสําหรับเราะอันนี้หมายถึงความลําบากกายนะพระพุทธเจ้าไม่เสียใจหรอกแต่ว่าเหนื่อยฟรีอย่างนั้นนะไอ้เครียดนี่ไม่เครียดหรอกแต่ว่าเหนื่อยฟรีนะเสร็จแล้วก็ขี้ต่อไปอีกว่าเกิดคาถาที่ไม่น่าอัศจรรย์บอกว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ย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 มูสัตว์ทั้งหลายพร้อมที่จะเห็นว่าสังขารเนี่ยสุกแท้พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นทุกสัตว์ทั้งหลายมาตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราแต่ส Nowadays, ิ่งที่พระพุทธเจ้าเอามาบอกมาสอนบอกนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายบอกทั้งสุขแท้พระองค์บอกนี้ทุกเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายบอกนี้เป็นเหตุแห่งความสุขพระพุทธเจ้าบอกนี้เหตุแห่งความทุกสัตว์ทั้งหลายบอกว่าแหมมันทุกข์เหลือเกินพระองค์บอกว่าธาตรู้อย่างนี้แล้วสุข นะคือคือมันตรงกงันข้ามหมดศาสตร์ทั้งหลายบอกโอ้ทำชั่วสิง่ายทำชั่วสิสนุกเพลินพุทธเจ้าบอกทำชั่วไม่ดีเลยต้องทำดีดีกว่าทำทุจริญไม่ดีทำสุจริญดีกว่าคือทุกอย่างมันเห็นตรงกันข้ามกันไปหมดอย่างนี้เนี่ยนะ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 การลงทุนที่ศูนย์เปล่าเนี่ยนะถ้าคนฉลาดเขาจะทําไหมเหมืน น, นะนี่ก็เหมือนกันเอ๊มันศูนย์หรือเปล่านะเขาคิดได้เท่านั้นยังไม่ได้จบนะว่าจะสอนหรือไม่สอนพอดีเท้ามหาพรหมก็มาเนี่ยนะขี่ม้าขาวนะอะไในเหาะมานะไม่ใช่ไปขี่ม้าขาวเหาะมาเองเลยนะหายววบจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าอัปปุสุกตายะเพราะไม่ประสงค์จะแสดงธรรมโดยที่ไม่มีความขวนขวายถามว่าเพราะเหตุไรเนี่ยนะ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 นะครับ ว, ว่าโอหตั้งความปรารถนาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างบา ร, รมีมายิ่งใหญ่ใหญ่โตเหลือเกินพอมาถึงบรรทัดอะไรนะตอนสุดท้ายบอกว่าอา่ะไม่สอนลนะอย่านั้คิดจะไม่สอนอนะด้วยประโยชน์อะไรจะได้ประโยชน์อะไรที่บอกไม่สอนว่าประโยชน์อะไรและอีกอย่างหนึ่งนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่าจะประโยชน์อะไรด้วยเราเป็นผู้รู้แจ้งหรือตรัสรู้ในโลกนี้แต่เพียง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 อธิบายว่าเมื่อพระองค์บรรลุพระสัพพันญุตยานแล้วพระองค์ก็พิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยยังยึดกิเลสอยู่ถือเอากิเลสเป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันเถอะหมูสัตว์เนี่ยถือเอาราคะนํานหน้าบางเรื่องเนี่ยนะบางเรื่องเนี่ยไปตามอํานาจโลภะทแท้ๆโลภะมันพาไปเคยขี่รถไปทานอาหารไกลๆไหมรักษาตัญหามันดึงไปเนี่ยนะดึงไปไกลบางเรื่องไปเพราะโทสะไปเพื่อเพื่อจะ ต, ตำหนี่นะไปเพื่อด่าไปเพื่อ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 บอกว่าแนะนําให้คนอื่นอ่านพระไตรปิฎกนะไปแจกพระไตรปิฎกให้เขาเอาเงี้หนังสือสวดมนต์นี่เป่าไปแจกหนังสือสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยเขาก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าด้วยใช่ไหมเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยว่าจะเอาหนังสือไปแจกให้จะแจกว่ายังไงเนาะไงนะค้าแบบเนี้นะยากเหมือนกันนะ เอาไว้ก่อนดีกว่าก็จะให้ให้ไม่ให้ให้ไม่ให้แทบจะจับไม่สั้นไม่ยาวบางทีก็ไปเกือบเถืงแล้วไม่ให้ดีกว่าอย่างงี้ยนะคือเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันอยังงั้นแหละบอกว่าเขาบอกเขาไม่มีเวลานะไปบางคนบอกเขาไม่สวดหรอกเขาไม่ชอบสวดอ่างเ้ยเขาไม่มีอาธยาศัยในการสวดบอกมาพอบอกว่าโอ้สวดมนต์เธอบอกแหมเงียบเลยนะบอกเพเจร์กันต่อเธอแต่าังไงตื่นเต้นน่าดูเลยคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระเนี่ยนะชวนกันเพเจร์ได้แต่เอ้สันเสริมพระพุทธเจ้าไม่ได้ มันไม่เข้าใจาเหมือนกันเลก็เรียกว่าถ้าทําบาปเนี่ยง่ายง่ายแต่ทําบุญเนี่ยยากแท้แบบนั้น น, น่ะสันเสริญพุทธคุณบอกมแมยากเหลือเกินแต่บอกเอาใครมาเป็นโจกนินทาว่าร้ายเขานะโอ้ยถนัดแท้อน น, นมันเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าอัธยาศัยทําไมมันเป็นอย่างนั้น น, น, นะบอกสันเสริญพุทธเจ้าบอกอ้างเจ็บคอมั่งเมื่อยมั้งโอ้ยออมเสียงหน้าดูเลยนะที่จะเพ้อเจ้อแล้วก็โอ้ยแต่แบ่งกันสุดเสียงเคาะกรีดกราบเป็นต้นเนี่ยเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ นี่น่าระสัตว์ในอาบายจึงเยอะนะไม่ได้แช่งนะแต่เล่าให้ฟังว่าเออเหตุเป็นอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างงี้ว่ากันไปตามเหตุตามผลแค่นั้นเด้เนี่ยนะโดนใครก็ไม่ว่าอะไรหรอกพูดแต่หลวงพ่อจิวว๋วก็จะจะร้องให้ก็ไม่ว่าอาจจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรจะร้องให้ก็ตามใจแล้วกันต่อไปบอกเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคือคือพระองค์รู้แล้วว่าเออเขาเนี่ยกิเลสมากกิเลสรุนแรงขนาดเดียวกันพระธรรมก็แสนจะยาก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 ดดถาบที่เต็มไปด้วยเปรียงดดผ้าขี้ริ้วที่ชุ่มไปด้วยน้ำมันเหลวและน้ำมันดดมือที่เปื้อนไปด้วยยาหยอดตายาหยอดตาโบราณนี่มั น, ม, นมันเปียกแฉะนะเขาเหล่านั้นจะรู้แจ้งแทงตลอดได้ยังไงเนาอเนี่ยนะเหมือนกับว่าไปชวนคนป่วยวิ่งออกกำลังกายคล้ายๆแบบนั้นนะคนที่เรียกว่าเป็นรกว่าเจ็บเข่าหน้าดูววิ่งเงินเท่เงี้ยมันยากงั้นแหละเพราะอะไรเพราะ จิตเนี่ยเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความที่เขาเกลือกกล้วด้วยกิเลสจิตของพระองค์ก็น้อมไปเพื่อไม่แสดงอันนี้เพราะอนุภาพการพิจารณากิเลสของสัตว์และเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมอันนี้ไหนที่หนึ่งอันหนึง่งพระธรรมคือโลกุตระธรรมเนี่ยลึกซึ้งดุดลําน้ําหนุนแผ่นดินก็นลึกเหมือนอย่างลึกลงไป2องแสนี่มโยชน์เนี่ยนะเป็นธรรมที่เห็นได้ยากเหมือนเห็นมเมล็ดผักกาดที่ภูเขากําบังเอาไว้ กรื่องมือยิ่งงงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยนะรู้ตามได้ยากดุดแยกปลายด้วยปลายขนสัตว์ที่ผ่าออกตั้งร้อยส่วน